เหตุได้เมื่อสักครู่นะสักครู่เมื่อกี้เนี่ยนะตอนที่เราเดินจมกรมลับตอนที่เราเดินกลับไปนั่งไปกันที่นะเราเดินรีบตอบรู้สึกต่างกันไหมมันอาจจะต่างกันสองลักษาะที่ส่วนหนึ่งอาจจะร่างกายเราเราไป เ, า เ, าเดินหน้างจิพิษเราจะเดินธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะผ่อนคลายตัวเราแต่ก็ไม่รู้ว่าใจรู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าใจจะเดินเดินเดินรู้ว่ากายเดินก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจน่แต่แต่ที่แน่ๆ เ, เราสึกมันตังกายมันมันเป็นธรรมชาติขึ้นแต่ใ จ, จรู้ตัวหรือเปล่านี้มนไม่แน่ใจแต่เวลาเราเดินจงกลมหลายคนเดินไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ แต่อาจจะรู้ตัวแต่ไม่รู้ตัวแบบเกรงหรือป่าอแค่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะให้เราให้เรารู้ตัวเองนะ ค, คือปฏิบัติแหละมันจะเห็นเจ้าเสือผ้าให้ถ่วนะมันจะเห็นข้อผิดภาพของตัวเองอ่าเห็นข้อผิดภาพของตัวเองเยอะขึ้นนะคล้ายเอนเราเรียนหนังสือแล้วเราแล้วเราจะเห็นว่าเราไม่เข้าใจนะ โมโตรงไหนเราผิดตรงไหนอ่ะพอเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนใช่ไหมเราถึงจะเกิดการแก้ไขแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าที่เราทําทําทุกครั้งทําทุกครั้งแล้วมันก็ทํำไมมันยังไม่มันก็มันผิดตรงไหนเราไม่รู้แต่พอมีคนชี้หรือเราเห็นนี่อ๋อเราผิดเพราะเราทำแบบนี้นี่เองมันก็เลย เราก็เลยเข้าใจละทําไมมันถึงมันถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมเหมืนเราทําอาหารนะทำทุกครั้งทุกเปี้ยวทุกครั้งแต่ทำอาหารมันเชัดเจนนะว่ามันน้ำมันทให้เปรี้ยวน้ำปลามทำไม่เค็มน้ำตาลทำไม่หวานเรามันก็เห็นชัดว่ามันมากเกินไปตรงไหนเราจะลดตรงไหนได้ชัดอันนี้ก็เหมือนกันเราลองสังเกตตัวเองได้อืมที่เราเกรงเกินไปเนี่ย มันเก่งที่ร่างกายหรือเก่งที่ใจแล้วก็ดูในนั้นนะดูสังเกตเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดในการวางกายบ้างเรืองทีก็เป็นข้อผิดพลาดนการวางใจบ้างซึ่งตรงเนี้เราจะเห็นเรียกว่าการเิ็นตนเองก็คือการเห็นเห็นเห็นจิตหรือเห็นการวางใจไว้ผิด เห็นความรู้ที่ผิดเคยได้ยินคำว่าปวิชานะปริชาคนส่วนใหญ่แปลว่าความไม่รู้บางทีความไม่รู้นะมับนบางทีมันก็มันส่วนที่เราเข้าใจเหมือในใคล้ายๆอยู่คนพูดภาษาฝรั่งเศวเราก็ไม่รู้คือไม่รู้อะไรเลยเลยนี่ยพูดไปก็เหมือนไม่รู้อะไรเล ย, เลยแต่คำ ว, ว่า อภิชามาว่ามันใกล้เคียงกว่าบ้างไหมที่จริงเป็นความรู้ที่ผิดไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะแต่มันรู้แต่มันรู้แบบผิดรู้อะไรเช่นเวลาเราทุกข์เรารู้สึกหรือเราคิดว่าไอ้ที่เราทุกข์น่ะมันเป็นเพราะเช่นคนมคนอื่นมาว่าฉันไอ้คนมาว่าฉัน น, นั่นคือเหตุ ทำให้ฉันทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวเราเป็นโลกเราก็รู้ค่ะเราเป็นโลกแต่ทีนี้นเราคิดว่าเพราะว่า เ, า, ừ, าเราเป็นมะเร็งเพราะว่าเชื้อโลกมันกยทําให้ฉันทุกข์ไงใช่ไหมคือมาเราไปมองว่าเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่เช่นคนที่เขาว่าเราหรือเชื้อโรคนะที่มันทาให้เราทุกข์นี่คือความรู้ เราก็จะมุ่งเน้นการเช่ น, นไปห้ามเห้เขาว่าเราหรือคิดว่าเราจะต้องทำผิดแบบเพื่อให้เขาไม่ว่าเราอีกหรือเราต้องมองุ่งเน้ไปตามที่ต้องห้ามให้มันต้องไปรักษาให้โรคมันหายเราจะได้ไม่ทุกข์มันรักษาได้ตลอดไหมแด้ตลอดี่ยนะโรคมันก็มีหายอาจจะเป็นดีโรคมัย เป็นสามปีนะอนนี้เ็าไม่ว่าเราอาจจะมีคนอื่นมาว่าเราอีกก็ได้ <c oughs> มันรักษาที่ข้างนอกนะมันไม่หายอันนี้เรียกว่าความไม่รู้อย่างความไม่รู้ว่าเหตุของความมันไม่ใช่เกิดจากเพราะเพราะคนอื่นแต่มันก็มีเหตุปัจจัยเนื่องจากสิ่นอื่นในแบบแต่ความไม่รู้อย่างนะี้คือว่าเรา เราคิดหรือเราสําคัญนั้นหมายคิดว่าเนะี่ยคือเราเรากายนี้ของเราใจนี้ของเราปะมาณนะนี้นิสัยทุกความรู้ที่เรียกว่าอริชาคําว่าวิชาก็คือปัญญาทําให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจหมายว่าอันนี้คือ ก, กายอันนี้คือใจมันไม่ได้บอกว่ากายของเราหรือว่าใจของเราความคิดของเราแต่มันทําให้เราเห็นว่า รูปเป็นแบบนี้เวทนาความรู้สึกเป็นแบบนี้สัญญาจําได้ไหมรู้คือแบบนี้สัขงขารคือแบบนี้วิญญาณการรับรู้นะี้เ ข, นนะข้าสอนเนะี่ยแล้วเขาสอนว่ารูปไม่เที่ยงแบบไหนเวทนาไม่เที่ยงแบบไหนสัญญาไม่เที่ยงแบบไหนสัขงขารวิญญาณไม่เที่ยงแบบไหนเป็นทุกเป็นนนับตาแบบไห น, นเขาสแสดงให้เราเห็น เพราเาเนบ่ยพราะนี่แคือวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้แก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้แก่เราความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแกเราก็เกิดเกิดทอดมาทําให้เราเกิดความรู้ที่ถูกต้องไปแก้ความรู้ที่ผิดกลายเป็นความรู้ที่ถูกไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยหรอที่จริงเรามักจะมีความ ความคิดความเชื่อก็นั้นแหละมันมีอยอะแหละแต่เป็นว่าเราเราจะอเราจะเห็นไหมว่าความคิดตรงไหนความเชื่อตรงไหนที่มันไม่ตรงความจริงความคิดความเชื่อตรงไหนถ้ามันตรงความจริงนะมันไม่ตรงมันไม่นำมาสู่ความทุกข์นะแต่ถ้าความคิดความเชื่อไหนที่มันขัดแย้งกับความจริงนั่นแหละมันทําให้เราเกิดความทุกข์อันนี้คือคในการปฏิบัตินะให้เรา ให้เราสังเกตดัง น, นั้นปฏิบัติบาง ท, ทีมันก็มันก็จะเจอเห็นอต่ารเยอะมากซึ่งไม่ใช่เราปฏิบัติแล้วเราเห็ไม่มีกิเลสนะ้ยมีไหมกิ <c ười> เล ย, ย์เย <c ười> อะไหมเห็นไหมก่อนปฏิบัติกับหลังที่ปฏิบัติแล้วนะอันไ น, นกิเลยเยอะกว่ากันเห็นเดิไปเดินมา เียวว่าเจะจับความรู้สึกนั้นดเพีงไนครเอาคารออกนะครับยงเคยปฏิบัติก่อนเคยบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนปฏิบัติเราตั้งแต่วิธีอื่เลยนะกับตอนหนังแต่ปฏิบัติตั้งแต่วิธีอื่นก็ดีหรือวิธีนี้ก็ดี ก่อนปฏิบัติรู้สึกว่าตัวเองมีกิเลสเยอะไห ม, มก่อนปัฏิบัติกับหลังปฏิบัติมีการดูแลอารมณ์และก็ความ ร, รู้สึกที่ละเอียขอดขึ้นค่ะละเอียดยางไงเออสามารถเข้าใจชีวิตเข้าใจสุตตานุสิติกึ่งจากจากการมองก็มองมองความรู้สึกของตัวเองได้ขึ้น มองความโกรธได้มองความรงได้แต่คุเขึ้นเยขึ้นะคะแต่ก็ยังโกรธอยู่ยังมอยู่ค่ะแดงตัวเก่าไหหรือว่าน้อยตัวเก่าบางทีก็ระดึงเรีนขึ้นมาวนะคะด้วยวัย่ว่าด้วยศึกษาวัวก็ไม่แน่นะมางคนแก่มากก็โกรธเยอะนะ เห็นไนห ะ, ะเห็นได้เร็วขึ้นหรือเปล่า<ม>คือก็ลองดูว่าคือเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเห็นการณ์ได้ได้เยอะขึ้นนะได้ไหวขึ้นหรือบางทีเราเห็นมันได้เร็วขึ้นมันแต่ก่อนเราเราจะรู้ตัวตอนที่มันโกรธมันมองโห แต่เราเคยเห็นมันตั้งแต่ตอนนั้นพูดหงิดมั้ยเขาพูดมาแล้วพูดหงหิดละเห็นลนะะไม่พูดต่อดีกว่าเด็ว น, นะพ อ, อก็ได้เห็นแบบนี้นะ้นนะีเพราะว่าที่ีการเป็นคารวานะคะเออในชีวิตประจำวันนะก็จะสัมพัญกับหลายหลายความรู้สึก ม็หนีไม่พ้นยอยอ่สัมผัสเหมือนกันน่ะสัมผัสเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่กับโลกนี้เราอยู่กับผู้คนมันก็ต้องเจอสิ่งกระทบเท่านั้นน่ะไม่ว่าสิ่งกระทบนั้นบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งกระทบด้านเรีว่าด้านลบเนาะนินทาสูญเสียหรืออะไรก็ลแล้วแต่แต่บางที สิ่งที่กระทบด้านลบอ่ะมันทําให้เราเห็นการกระเตือนได้ค่อนข้างชัดแต่บางทีสิ่งกระทบด้านบวกอ่ะบางทีเราไม่เห็นนะเช่นคนชมเราหรือเราได้อะไรมาแล้วดีใจบางทีเราก็จะปล่อยใจนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมาธรร ม, มาดาเราจะรู้สึกอืก็ออชอบนะอันที่จริงพูดเจ้าท่นไดไ่เห็นทั้งสองด้านกระทบ ด้านตบก็ดีหรือ ก, ก็ด้านบวกก็ดีให้เรารู้ทันเพราะถ้าเรารู้ทันเราก็จะติดไม่ติดด้านไหนแต่ด้านนึ่งหรือบางก็ติดระดับไปทั้งสองด้านอันนี้เรียกว่าเราหลงภาษาพระาาเรียกว่าโลกกร ะ, ะทำโลกกระไกลแล้วก็ทำแต่ถ้ามาได้พูดให้แบบเป็นกิริยานะมันกลายเป็นโลกกระรรทํำเรา โลกกระทำคือสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทํากระทําให้เราเป็นสุขกระทําให้เราเป็นทุกข์ให้เราดีใจให้เราเสียใจนี่คือเรื่องเรื่องของโลกที่เราต้องเจออยู่ะแล้วมันก็จะทําให้เราให้เราวนล้ะล้อน่ายทุขทุกข์แบนี้ถ้าเรามีสติกับเนี่ยเราจะรู้เท่าทันจิตใจที่มันอาจจะดีใจเสียใจ ดีใจเสียใจหรือสุขหรือทุกข์เนี่ยบางทีเราก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่ในการปฏิ บ, บับิคือให้เราเห็นว่าใจมันดีใจเห็นว่าใจมันสุขใจห่ือเห็นหรือใจมันไม่พอใจก็เห็นถ้าเราเห็นนะ่ะมันมั น, มนจะจบที่เห็นแต่ถ้าบางคนสงสยัยเอ๊ะทำไมเราก็ว่าเราก็รู้เราก็ว่เ า, úng, เ า, า, เาเห็นแต่ทําไมมันยังมีอยู่ล่ะ ไม่โกรธเราก็รู้หนิว่าโกรธแต่ทําไมมันมังโกรธอยู่ล่ะเคยไหมอยากก็รู้แล้วลนะว่าอยากตนะแต่ทําไมมันยังยังไปหักหลบเพราะบางทีมันมีมีสองเหตุผลอาจจะเหตุผลหนึ่งเราอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เห็นจะเรียกว่าเห็นด้วยความไม่เป็นการก็ได้เช่นโกรธ เราก็เห็นนะแต่บางทีเราก็รู้สึกลึกๆว่าเราไม่อยากโกรธหรืออยากแล้วเราก็อยากให้มันหายอยากคือเรามีความโกรธซ้อนความโกรธความอยากซ้อนความอยากเกิดความอยากอย่างนี้แล้วก็เกิดความอยากให้มันหายากใช่ไหมมันซ้อนกันอันนี้ต้องสังเกตหรือว่าเรารู้เฉยๆหรือเรารู้แล้วก็มโกรธซ้อนโกรธอยากซ้อนอยากอะไ อ น, นี้เหตุผลหนึ่งหรเห็นคนหนึ่งอาจจะรู้อยู่แต่กําลังที่รู้มันยังไม่พอคล้ายๆเหมือนกับเด็กดึงผู้ใหญ่วิ่งนะผู้ใหญ่กำลังมีเด็กไปจับมันฟิวไปตามผู้ใหญ่เหมือนเราไปกอดรถรถเขาวี่งเกาเราก็ลากตามเขาไปคือกําลังของเรามันไม่พอทำให้ บางอารมณ์ท e ี you connect, you ่ม so so so ันแรงงเราก็เลยถูกขอลาไปอันนั้นเรียกว่าอันนี้เหตุผลจี้คือกำลังของไม่พอเราอาจจะรู้เฉยๆอยู่แต่เพียงว่ากำลังตรงนี้มันไม่พอกับเราลืมตัวไปตั้งนานจนกระทั่งเช่นมันโอดแรงมากโอดแรงมากรู้เิงๆตอนนั้นมันไม่พอเราก็ต้องมา นะกลับมาสร้างตัวรู้ให้มันมีกำลังมากขึ้นตอนนั้นบางทีเรารู้ว่าเราไม่หายโกรธไม่หายอยากเราก็ต้องกลับมากลับมาสร้างฐานให้มันให้มันมีกำลังขึ้นนะเนี่ยมันจะทําให้เริ่มกําลังคล้ายๆเหมือเราเป็นโรคกันนะไอคิดแต่ว่าทำไมกินยาแล้วไม่หายยาท่านก็ทำหน้าที่แล้วแต่อาจจะต้องกิน ต่อไปอีกสองวันสามวันเจ็ดวันมันก็หายของมันใช่ไหมบางทีมันก็กินก็ถูกแล้วแต่บางทีอาจจะยังไม่พอก็ทําสะสมไปบางทีบางอารมณ์เหมือนเราเบดกร้อนนะบางทีก็มิ้งมาเดรกทีเ <wär> ดียวไม่อยู่ก็ท้องเดรกปุ๊บเดรกใหม่เบรใหม่สีห้านาทีอาจจะหยุด มีใครมีคำถามเจอนหมหรือจะเล่าสิ่งที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถึิ่งเราทำถูกหรือเปล่าแล้วก็ก็กามได้เล่าได้มีไหม ไมส่สงสเลยแหะก็แจง้งมแล้วนะหรือไม่รู้จะถามอะไรพอาจารย์กทราบว่าแนวทางของก็เทียนทไมไม่ได้สอเกี่ยว่องการังสมาธิด้วยมันเป็นสมาธิในตัวในในสิ่งที่เราทาไปนในตัวอะไรสีส่จวัดมันจะมีสมาธิหรื อ, อถ้าเรา สมาธิแปล ว, ว่าใจตั้งมั่นอย่างโยม ต, ตั้งใจทําตรงนี้ใจเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้ี่ก็เรียกว่าสมาธิสมาธิแล้วเราทํางานเรามีสมาธิในการพิมพ์มาน็คือสมาธิใช่ไหมสมาธิก็คือเราตั้งใจทำอะไรใจเราอยู่ตรงนั้นน่หละคือสมาธิถ้าเราเข้าใจว่าสมาธิคือเราก็ไปทําตอนนิ่งๆสงบอะไรไม่รับรู้อย่างอื่น อันนั้นเป็นสมาธิที่ก็ทําได้นะแต่มันเป็นสมาธิสําหรับการเหมือนพักตายพักใจจะคือที่หลวงพทิมไม่นิงเพราะว่าหลายคนไปทำสมาธิแบบนั้นแล้วมันกลายเป็นติดติดความสงบติดสุขแล้วมันก็เหมือนไม่อยากไม่อยากรู้เรือต่อแล้วบางทีบางคนติดสมาธิแบบนั้นแล้วพอออกมาอยู่กับโลกมันจะ มันจะกลายเป็นคนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนคนอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะรู้สกเพราะรู้สึกว่าสิ่งข้างนอกมันทําให้เราไม่สบายเหมือนที่เราเคยสบายใช่ั้มมันเหมือนที่ๆเอาง่ายนะเหมือนเราเคยอยู่ห้องแอร์เปนคิวอะเมื่อไร่ที่เราออกไปอยู่เจอความร้อนอะเราจะรู้สึกไงแสบแต่ถ้าเราอยู่ห้องแอร์บ้างออกไปข้างนอกบ้างมันก็ปรับตัวทุกๆวันทุกวัน เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติอยู่ห้องแอร์ก็สบายแบบนี้แหละออกไปข้างนอกมันก็ร้องแบบนี้แหละนี่คือธรรมดาแต่ถ้าคนติดสุขกมันก็จะเหมือนพอไปเจอสิ่งที่มันเป็นคุกมันไม่สบายเหมือนที่เคยได้มันจะรู้สึกนิ่งหลายคนที่ติดสมาธิก็เวลาโกรธก็จะที่โกรธแรงเพราะเราเป็นคนทีเด็กโทษว่าคนนี้ทาเสียงดัง เพราะนั้นรบ ก, กวนสมาธิทำให้สมาธิคือบางคนสมาธิมักจะเหมือนคล้ายๆก็ยังจะรักษ า, ส, าสมาธิมันนานๆแต่บางทีสิ่งแวดล้อมาอาจจะไม่เอื่อเราตลอดเวลาอีกอย่างผมเขียนก็เคยทำวิธีแบบทำสมาธิมาเยอะด้วยแล้วท่านก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่ว่า คนที่ทำสมาธิก่อนแล้วจะเดินปัญญาไม่ได้ก็มีสายอื่นที่บางทีเขาก็เน้นทำสมาธิก่อนแต่ก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้เดินปัญญาต่อโดยการเช่นพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นแตกหรือบางทีสายก็ต่ า, างทีถ้าจะเน้นนั่งทำสมาธิบ้างแต่อาจจะอยู่ในบรรยากาศที่บางทีนั้งก็ให้ลูกศิษต่อไปนึกก็ได้เพื่ออะไร บางทีไปเจอสัตว์ป่าหรือไปอยู่ป่าชา้าซึ่งมันอาจจะไม่สมบเหมือนเราอยู่วัด น, นิ่งๆแล้วมันจะทําให้เราเห็นว่าเห็นจิตกลัวไม่เห็นความกังวลอะไรเลยในตัวคือมั น, มนสมบแล้วไม่ใช่พอใจความสงบแต่สงบแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ที่สมบเนะี่ยมันสู้กิเลสได้ปะพอเจอความกลัวเจอสัตว์มันเป็นยังไงมันทําให้เราได้เห็นคือท่านไม่ด้สอนให้ผิแค่สมาธิแต่นั้นก็ต้อง คุูบาอาจารย์ต้องแบบมีอุบายเพื่อจะถาักให้ให้ลูกศิษย์ออกไปเดินต่อเพราะว่าบางคนถ้าไม่ออกไปเดินต่อก็คงคิดว่าตัเองดีแล้วมาเคยเคยอ่านตรงตามหาบัวท่านเคยเล่าเรื่องการปฏิบัติตอนหนึ่งของท่านท่านเอกว่าท่านก็ได้สมาธิจนจิตค่้ายๆจิตของใส จิตมีความสุข ม, มากแล้วท่านก็ทำํำงานนี้ได้ได้นานหลายปีมากแล้วท่านก็คิดว่าท่านก็ดีมากแต่ก็มีหนกงปู่มั่งก็ชอบชอบคล้ายๆชอบเตือนท่านว่าคล้าครจะไม่พอใจในความใคล้ายๆจิตที่มันดีๆยเลยวน่ะจิตที่มันสงบหนกงปูมั่งก็จะแย่แบบนีน้หลายครั้งแต่ท่านเองก็รู้สึกว่าท่านปฏิบัติดีแล้ว ถูกทางแล้วพี่กิ่งมันก็ปูกนะแต่เพ็นว่ามันยังเป็ติดบางอย่างอยู่แล้วหลปู่มันก็พยายามเตืนอนนะท่านหลวงตาเอกนั่นก็เลยเอกใจก็เอีเย๋ยว่าทําไมเรานับถือหลงหลวปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์แต่ทําไมอกองปู่เตือนแล้วเราเห็นกับกับไม่ไม่เชื่อป า, านะองอะไรเงี่ยหลวปู่นั่นก็เตือนเราอย่าเนี้ย ท่านตัวมาถามเองทำไมทําไมเราถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าท่านก็จะเห็นโอกที่จริงเราเราพอใจเราติดเราคิดว่าตรงนี้มันดีละแต่หลวงปู่มั่นก็ายามให้ท่านออกมาตอนนึงท่านไม่เห็นว่าท่านติดตรงนี้แต่นน้งก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์คอยเตืองแต่ขนาดคือบางทีติดด้านดีมันก็เห็นยากอันนี้ก็เลยตอบที่หลวงพ่อเกียรติทำแล้วก็อธิบาย ในสายตด้วยเนาะขอรับแจ้งผู้ยินมิสมนว่าเองยิ่โยมที่หมายว่าสวดมนตแล้วก็คืออาจจะเป็นทางสมาธิใช้จิตใช้เรื่องจุตกลมได้ได้หรือที่จริงวิธีนี้มันได้ทั้งสองส่วนทั้งทั้งสมาธิแล้วก็สติที่จริงจิตนะบางทีมันก็พักขึ้นมันไม่ไปรู้ความคิดไม่ไปรู้อารมณ์เดือันอ เช่าไปรู้มือเคลื่อนไปเรื่อยๆหรือรู้เดินไปเรื่อยๆอันนี้คือจิตมันก็พักกับสมาธิมันก็มีสมาธิแต่อาจจะไม่ใช่สมาธิแบบสงบนิ่งสบายทีเดียวแต่มันเป็นสมาธิที่แบบไม่ต้องไปรู้ความคิดไม่ต้องไปรู้อารมณ์อะไรมันก็แค่รู้การแต่ทําไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นสมาธินะครับแต่นอกจากบางครั้งบางคนถ้าเคยทาสมาธิได้ เราเอาจะเข้าสมาธิเพื่อพักผ่อนสักคู่ก็ได้นะอย่าจะมาธิงทีึ้นนั่งสมาธิเพื่อคล้ายๆพักให้มันสบายๆสยักพักหนึ่งเพื่อเหมือนคล้ายๆชาแบตต่างกายหรือว่าพักสมองพักจิตใจนิดนหนึ่งแต่พอพักตัวมันก็ออกมารู้ตัวต่อเป็นแค่าบางสนามเฉยอันนี้ก็เอาสมาธิเอาไว้เพื่อพักผ่อน แต่เอาการเจริญสติเข้าไว้เป็นการทํางานในการเรียนรู้ศึกษาไปไปมันก็จะเหมือนเราทํางานเราทํางานแล้วเราก็ต้องพักบ้างทํางานตลอดเวลาก็เหนื่อยเกินไป การรักษาจิตให้เป็นการหรือรักษาจิตไม่ปกติแต่เพราะว่ากลับมาคือ <c oughs> จะเรียกว่าจะทาแค่จิตปกติดะแต่มาอยู่ัปัจจุบันจิตก็จะเป็นย <c oughs> ค้ายคล้ายมือเราธรรมชาติมันว่างแล้วเพราะเราไม่รู้เราก็เลปิดถืออะไรบางอย่างพ <c oughs> อเรารู้ปุ๊บมันก็เหมือนธรรมชาติมันก็ว่างคนละเดียว การที่เรารู้สึกตัวมันก็เหมือนธรรมชาติที่ทําให้เรากลับมากลับมาปกติว่างๆธรรมดาไม่ใช่แต่ก็ก็อเข้าใจว่าจิตมันเดี๋ยวมันก็รู้ตัวแต่มันก็ลืมมันก็เลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะรักษาให้ปกติตลอดเพราะบางทีถ้าเราจะรักษาให้ปกติตลอดมันจะกลายเป็นประครองเช่นมดกันมา ไม่อยากให้มึงคิดไม่อยากให้มึงโกรนะเราก็จะเป็นันตั้งใจไป ม, <c oughs> มันจะทํนนะพาพิ่มขึงแล้วก็มันจะมันตั้งใจมากถ้าตั้งใจมากตำนานคือถ้า <c oughs> เพราะเราไม่อยากให้มึงคิด เราอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราแบบนี้ดูแล้วอดีตคิดอีกไม่แม่นะรู้ไหมรู้ไหมมันจะเหมือนคล้ายคมันไม่ใช่ปกติตลอดโิมแต่มันเหมือนว่าแต่ตอนที่มันรู้ตัวเนี่ยมันจะถูกเป๊ะเลยถูกอาจจะถูกตอนนี้ถูกตอนนี้ถูกตอนนี้ถูกตอนนี้มันถูกตลอด มันไม่เกือบถูกบางทีแต่ถ้าเราเบืเนี้ยเกือบถูกนะเข้าใจไหมเกือบถูกนะแต่ไม่ถูกเลยเมือนเราทําอะไรก็เกือบถูกนะเกลียดจิตมันนิ่งๆมากแต่มันนิ่งแบบจิตธรรมชาติเกือบถูกนะแต่ไม่ถูกแต่อันนี้ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างได้คะแนนมากกว่านะไอ้ที่ผิดก็ผิดไปไอ้ที่ถูกก็ถูกมา มาานันจะได้คะแนนแล้วก็ได้เกือบถูกเนะี่ยไม่ได้เลยเลยได้เพิ่มไปนั้นบางทีนักปฏิบัติหลายคนไม่เข้าใจว่าเราพยายามจะให้มันนิ่งๆเนนะีเราทําด้วยความเกลียดด้วยความอยากมันก็เลยขีดตั้งแต่ตนอนเกลียดด้วยความอยากนั้นถ้าเราปล่อยดูบ้างหลงบ้างอยากไปเราก็เห็นมันก็จะเห็นเรื่อยๆแล้วเออมันก็มี อะไรที่มันผิดปกติไปเราก็เท่าที่ได้นะแต่ถ้าเราทำไปบ่อยชั่วโมงหนึ่งนะบางทีหลวงพเขียนเขาบอกว่าสามพันหกร้อยวินาทีนะรู้วินาทีละครั้งก็สา้พันหกร้อยครั้งประมาณแต่เราเองอาจจะรู้ไม่ถึงอาจจะรู้สองพันครั้งก็ยังดีใช่ไหมอีกพันหกร้อยครั้งวินาทีไม่รู้แต่เรารู้สองพันครั้งวันหนึ่งเราจะ เราจะรู้10ชั่วโมงนะนอกรูปแบบบ้างในรูปแบบบ้างมันก็เป็นเกือบ 20,000 ครั้งค่มันมันก็ดีกว่าวันหนึ่งที่ถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจที่จะดูเลยบางทีกว็วันมันหนึ่งก็ผ่านไปเฉยๆดูน้อยมากเลยเ <c ười> นี่ยคำว่าสตินะเนี่ยที่มาแยกว่าสติโดยสัญชาตยาณแบบหนึง่ง ส ต, สติแบบสติปัญญาแบบแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นมหาสตนะิมหาสติแปลว่าสติที่มีกำลังมากสตกิที่มากมหาสตินี่แหละมันจะทําให้จิตเปลี่ยนมันจะทําให้หรือหรือถอนความเห็นคิดความยึดติดอะไรบางอย่างในจิตใจเราขึ้นราเป็นมหาเหมือนกับมีกําลัง เราสะสมมาสติปัฏฐานไปเรื่อยจนท่านพัฒนาไปาเป็นมหาสติถ้าภาษาง่ายเราสะสมความรู้เป็นการเป็นมหารู้เนี่ยมหาเป้ามากเนี่ยที่เราต้องทำํำบ่อยๆไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วพอทําบ่อยเพื่อสะสมให้เป็นกําลังหัวย่าหัวย่าล่าประสบการณ์เมื่อเช้าการปฏิบัติตอนที่ฟัง ยอมหับตาก็หอัตาไปซะ เรารู้ไปที่ลักษณะแต่พยายามแยกสามส่วนแต่ให้เรารู้จะมันเหมือนแยกเป็นสองส่วนก่อนแต่ไม่พยายามแยกมากเกินไปนะคันนี้กายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้แต่พอพักหนึ่งพอมันคิดปุ๊บมันค่อจะเห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งด้แต่เราเราจะพยายามแยกระหว่างกายกับความคิดมันจะเป็นของกอบแต่เราก็รู้สึก ธรรมดาการเคลื đã, u, ít, u, ít, u, ่อนใจรู <Là> ้การเคลื <Nh ật S 2> ่อนใจรู้ใจคิดม th ีใจรู้ใจคิดมีใจรู้ก็เห็นแยู่เนี่ยเห็นในเบสเลยแต่โยมไม่แก้เลยอ๋อไม่เป็นไรอย่าไปหาก็ทําทำในเบสแหละมันมันมาให้เราเห็นเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นต้นทางที่เราให้มีกำลังใจในการปฏิบัติว่า ทำแล้วก็ได้ห็นอย่างนี้เรืวอๆยินกันไม่เรื่ๆแต่อย่าไปหานะอย่าไปหายไปก็หายไป รู้สึกในขณะที่เราอยู่นอกรูปแบบด้วยตอนคือตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าเราคอยร้วงไปคอยร่วงไปคอยร่วไปเราก็จะค่อยๆอยค่อยๆสะสมนะค่อยๆสาสมอย่าที่เขาเรียกว่าับโดยที่ลําเนียนะครับก็ร้นะครับกับชีพเนี่ยมันจะไม่มีที่ยืนเลยนะมันจะเป็นเป็นกาเป็นคนลเรื่อง ถรู uh, ้ชิดกับางชิดกับบาไป่ชิดัาเราะนั้นที่สำคัญเลคืออย่าตั้งใจคิดในในขณะที่เราในขณะที่เราะตั้งใจแตบานนะนครับเพราะว่าตนั้นมนสิ่งที่เราก็เราก็ทางานก็ตั้งใจทำงานไปคิดไปอยู่แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องวงๆแต่ว่าพอนาที่เราอยู่การปฏิบัติทําให้เรา ตั้งใจที่จะที่จะไม่ยึดกับความเชื่อนะครับในความที่ทู้สร้างมันไม่เปมาจึงได้ั้งใจว่ากลับไปรู้ตัวในความที่สร้างนนนะครับกบไปรูสตัวตรงนี้นารจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้กเรหลังได้นั่นคงหมคนการที่เราปฏิบัติธรรมนะครับอย่างที่อาจาบอกว่าตรงนี้นเป็นเป็นสติปัตมย่ีเป็นสติที่เราช้ชีิตปกติ ก็ตรงมันก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เรามีปัญญามีปัญญานูกไหมคับที่เราจะแยกให้ต่างคณะสาขาหรือาที่เราเข้าใจผิงเราว่ามีเราลองนะครับเช่นนั้นมันสดบางเศร้าตาี่เราอตัวเราเข้าไปเข้าเปยุ่งถ้าไปถูกบทำอไรตัวก็เกิดว่าเราได้แยกตัวเอง จะสิ่งต่างๆมียที่ารมีเมีจอนจอน้มีคมาคน้คนนี้คนีข้มาลก็ผ่านไปตายเข้ามาแล้ก่านไตรงนี้นะรก็จะเป็นสิ่งที่กลเป็นวิธีการวิธีการปฏิบัติที่เราปฏิบัติคสัความเคื่อนไหวกลับมาสังเกตความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับการใจคนะครับที่เป็นปฏิบัติแล้วก็แยไป ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็เป็นอดีตดีจะมีหวังใช่เลยครับว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นเลยก็เป็นอนาคต น, นครับทุกท่าน